245ปฏิสารณียกรรมมรราว่าด้วยปฏิสารณียกรรมเรื่องสงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ด่าบริาพาทคือหัสี4ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุด่าบริพาสพวกขเรือหัดถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ด่าบริพาสพวกขเรือหัดเอาละ่ะพวกเราจะลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วแบ่งพวกพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูป ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นละเรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสอุเขปนิยกรรมในกรณีต่างๆจบ